เก o k ส93 <3000. S> 3าอนุประโยคใช้เชื่อม b i s ศ t n i n g เ r m e ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหร ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่มอมอฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ฉันไม่ทราบว h า n จะรมาหไม่ัมาาเข า, า จ, จะมรอฉันก็าจะมรไฉั น, นไม่ทราบว่าเมา เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้มั น, ขม เ, นเขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้มันเขาจ i ไม่โรมหาดด้ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม ย, ยมมหันถามตัวเองว่าเขาคิดถึงฉันไหม ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหมฉัส่าดฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหกันาเขาอนาเจะคิดถึฉันสงสว่าเขาพูดโกหกฉันส่หรือยาเปลดหัน่าเขาพหันาเขาพูดฉันสง่าเข า, าจจ น, น่าหันเขาโหัย่าเขาัน่าน่ห่า เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ på, ฉันสงสัยวาา่าเขาจะแต่งงานกับฉันจรือไม่ฉันสงสัยว่าเขาจะขียนมาหาฉันหมมอไม่ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหม m u n han gifter sig med mig?